วานิเทศหนึ่งกุศลบทนยัยจตุกะ5้ 50. อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลมูลใช่ไหมวิสัชนากุศลมูลมีสามเท่านั้นสภาวธรรมที่เหลือเป็นกุศลแต่ไม่เป็นกุศลมูล ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเป็นกุศลโมหูสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมวิจัตชนาใช่51อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลใช่ไหมวิจัตชนาใช่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 สภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นกุศลมูลใช่ไหมวิจัตชนาะมูลที่เป็นกุศลมูลมีสามเท่านั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือไม่เป็นมูลที่เป็นกุศลมูลปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมวิจัตชนาะใช่54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 สภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมวิจัชนารูปที่มีกุศลเป็นสมุทฐานมีมูลที่เป็นกุศลแต่ไม่เป็นกุศลกุศลมีมูลที่เป็นกุศลก็ใช่เป็นกุศลก็ใช่ห7อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศล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 อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นกุศลมูลใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมวิจัตชนารูปที่มีกุศลเป็นสมุทฐาน มีมูลที่เป็นกุศลลมูลแต่ไม่เป็นกุศลกุศลมีมูลที่เป็นกุศลลมูลก็ใช่เป็นกุศลก็ใช่60สอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศลลมูลใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา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 สภาวธรรมที่เกิดร่วมกันกับกุศลมูลที่เหลือมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลแต่ไม่ใช่มีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับกุศลโมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมวิสัชนาะใช่ 2. ออกุศลบด นัยยะจตุกะ 62. อนุโลมปุจฉัลสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลรมูลใช่ไหมวิสัชนาอากุศลรมูลมีสามเท่านั้นสภาวธรรมที่เหลือเป็นอกุศลแต่ไม่เป็นอกุศลรมูลปฏิโลมปุจฉัล สภาวธรรมเหล่าใดเป็นอกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมวิสัชนาะใช่ 63. อนุโลมปลุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลใช่ไหมวิสัชนาอกุศลที่เป็นอาเหตุุกะไม่ใช่มีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูล อกุศนที่เป็นเสหตุกะมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศนลมูลปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศนลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมวิสัชนารูปที่มีอกุศนเป็นสมุดฐานมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศนลมูลแต่ไม่เป็นอกุศลอกุศนมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศนลมูลก็ใช่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 สภาวธรรมที่เกิดร่วมกันกับอกุศลมูลที่เหลือมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลแต่ไม่ใช่มีมมลอาศัยกันและกันปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันกับอกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมวิจัชนาใช่ห5 อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นอกุศ ล, ลมูลใช่ไหมวิจัชนามูลที่เป็นอกุศลมูลมีสามเท่านั้นสภาวธรรมที่เหลือเป็นอกุศลแต่ไม่ใช่มีมูลที่เป็นอกุศลมูลปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดามีมูลที่เป็นอกุศลมูล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 อกุศลที่เป็นสาเหตุกะมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมวิสัชนารูปที่มีอกุศลเป็นสมุดฐานมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลลมูลแต่ไม่เป็นอกุศล อกุศลมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลก็ใช่เป็นอกุศลก็ใช่หกอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับอกุศลมูลใช่ไหมวิสัชนามูลเหล่าใดเป็นอกุศลมูลเกิดร่วมกัน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 เป็นอกุศลใช่ไหมวิสัชนาใช่68อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นอกุศลใช่ไหมวิสัชนาอกุศลที่เป็นเหตุุกะไม่ใช่มีมูลที่เป็นอกุศลอกุศลที่เป็นสเหตุุกะมีมูลที่เป็นอกุศลปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมวิสัชนารูปที่มีอกุศลเป็นสมุทฐานมีมูลที่เป็นอกุศลแต่ไม่เป็นอกุศลอกุศลมีมูลที่เป็นอกุศลก็ใช่เป็นอกุศลก็ใช่69อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศล สภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลใช่ไหมวิจัิชนาอกุศลที่เป็นอเหตุกะไม่ใช่มีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลอกุศลที่เป็นเสเหตกุกะมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหม วิสัชนารูปที่มีอากุศลเป็นสมุทฐานมีมูลอย่างเดียวกันกับอากุศลมูลแต่ไม่เป็นอากุศลอากุศลมีมูลอย่างเดียวกันกับอากุศลมูลก็ใช่เป็นอกุศลก็ใช่เจ็ดสิบอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่งมีมูลอย่างเดียวกันกับอากุศลมูล สภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและการกับอกุศรมูลใช่ไหมวิสัชนามูลเหล่าใดเป็นอกุศรมูลเกิดร่วมกันมูลเหล่านั้นมีมูลอย่างเดียวกันก็ใช่มีมูลอาศัยกันและกันก็ใช่สภาวธรรมที่เกิดร่วมกันกับอกุศรมูลที่เหลือมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศรมูลแต่ไม่ใช่มีมูลอาศัยกันและกัน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 อกุศลที่เป็นอเหตุุกะไม่ใช่มีมูลที่เป็นอกุศลมูลอกุศลที่เป็นสเหตุกะมีมูลที่เป็นอกุศลมูลปฏิโรมปุชขาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมพิจชนารูปที่มีอกุศลเป็นสมุทฐานมีมูลที่เป็นอกุศลมูลแต่ไม่เป็นอกุศล อกุศลมีมูลที่เป็นอกุศลลมูลก็ใช่เป็นอกุศลก็ใช่เจ็ิบอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลลมูลใช่ไหมวิจัชนาอากุศลที่เป็นอเหตุตุกะไม่ใช่มีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับ อกุศลมูลอกุศลที่เป็นสเหตุกะมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลโมลปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลโมลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมพิจชนารูปที่มีอกุศลเป็นสมุทฐานมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมูล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 มูลเหล่าใดเป็นอกุศลมมลเกิดร <te> ่วมกันมูลเหล่านั้นมีม <but S 1> mm ูล hmm. ที่เป็นมูลอย่างเดียวกันก็ใช่มีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันก็ใช่สภาวธรรมที่เกิดร่วมกันกับอกุศลมมลที่เหลือมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอกุศลมมลแต่ไม่ใช่มีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันปฏิรมปุจฉา สภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและการกับอกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมวิสัชนาะใช่ 3. ามอภยากตบทดยะจตุกะ 74. อนุลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอภยากฤษสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยากตามูลใช่ไหม วิสัชนาอพยากตมูลมีสามเท่านั้นสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤษที่เหลือไม่เป็นอัพยากตมูลปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเป็นอัพยากตมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอพยากฤษใช่ไหมวิสัชนาใช่ 75. อนุรมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอพยากฤษ สภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับอภยากตมูลใช่ไหมวิสัชนาอภยกริตที่เป็นอเหตุตุกะไม่ใช่มีมูลอย่างเดียวกันกับอภยากตมูลอภยกฤิตที่เป็นเสเหตุตุกะมีมูลอย่างเดียวกันกับอภยากตมูลปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับอภยากตมูล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 อนุโลมปุจฉ า, าสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอัพยกฤตสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นอัพยากตมูลใช่ไหมพิจชนะนามูลที่เป็นอัพยากตมูลมี imated, มมลลมา ส, า, สามเท่านั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิที่เหลือไม่ใช่มีมูลที่เป็นอัพยากตมูลปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอัพยากตมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมด เป็นอัพยากริตใช่ไหมวิสัชนาใช่78แอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอัพยากริตสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากรตมูลใช่ไหมวิสัชนาอัพยากริตที่เป็นเสหตุกะมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตมูลมปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอพยากระตมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอพยกระิใช่ไหมวิจัชนาใช่79อนุรมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอพยากระตมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและการกับอพยากระตมูลใช่ไหม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 สภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและการกับอัพยกากตมูลสภาธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยกริใช่ไหมวิจัชนะใช่80อนุลมปุจฉาสภาธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอพยกรสภาธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นอัพยกริใช่ไหมวิจัชนะอัพยากริที่เป็น อเหตุกะไม่ใช่มีมูลที่เป็นอัพยกฤิอัพยกฤิที่เป็นสเหตุกะมีมูลที่เป็นอัพยากฤตปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอพยกฤิสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยากฤิใช่ไหมวิสัชชนาะใช่แปดอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอัพยกฤิ สภาวธรรมเหล่านั rene, right? ้น ah ทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับอภยากตมูลใช่ไหมวิสัชนาอภยากฤตที่เป็นอเหตุตุกะไม่ใช่มีมูลอย่างเดียวกันกับอภยากตมูลอภยากฤตที่เป็นเสเหตุกะมีมูลอย่างเดียวกันกับอภยากตมูลปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับอภยากตมูล สภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอพยากฤษใช่ไหมพิศชชาใช่แปบสองอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่งมีมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากัตมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและการกับอัพยากัตมูลใช่ไหมวิจาชนามูลเหล่าใดเป็นอพยากัตมูลเกิดร่วมกัน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 วิสัชนาใช่83อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอัพยกฤิตสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นอัพยากตามูลใช่ไหมวิสัชนาอัพยกฤิตที่เป็นอเหตุตุกะไม่ใช่มีมูลที่เป็นอัพยกตมูลอัพยกฤิตที่เป็นเสเหตุกะมีมูลที่เป็นอัพยากตมูลปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอัพยากตมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอภยากฤษใช่ไหมวิจัชนาใช่84อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอภยากฤษสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตมูลใช่ไหมวิจัชนาอภยากฤษที่เป็นอเหตุกะ ไม่ใช่มีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอัพ ย, ยากตมูลอพยากฤตที่เป็นสเสหตุกะมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอัพยกากตมูลปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอพยากฤตใช่ไหมวิสัชนาใช่ 85. อนุโลมปุจฉา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 สีนามบทในยจัจตุกะแปดสิ 86, อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามมูลใช่ไหมวิจัชนานามมูลมี9เท่านั้นสภาวธรรมที่เป็นนามที่เหลือไม่เป็นนามมูลปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมเหล่าใดเป็นนามูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิสัชนาะใช่87อนุรมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับนามูลใช่ไหมวิสัชนาะนามที่เป็นอเหตุุกะไม่ใช่มีมูลอย่างเดียวกันกับนามูลนา ม, มที่เป็นสะเหตุกะ มีมูลอย่างเดียวกันกับนามูลปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับนามูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิสัชนารูปที่มีนามเป็นตมุทฐานมีมูลอย่างเดียวกันกับนามูลแต่ไม่เป็นนามนามมีมูลอย่างเดียวกันกับนามูมลก็ใช่เป็นนามก็ใช่ แปอนุรมปุจฉาสภาประธ ам เหล่าใดเหล่าหนึง่งมีมูลอย่างเดียวกันกับนามูลสภาประธามเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับนามูลใช่ไหมวิจัตชนามูลเหล่าใดเป็นนามูลเกิดร่วมกันนามเหล่านั้นมีมูลอย่างเดียวกันก็ใช่มีมูลอาศัยกันและกันก็ใช่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 สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นนามมูลใช่ไหมวิจิตชนามูลที่เป็นนามมูลมี9้าเท่านั้นสภาวธรรมที่เป็นนามที่เหลือไม่ใช่มีมูลที่เป็นนามมูลปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นนามมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิจัตชนาใช่90สิบ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 สภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิสัชนารูปที่มีนามเป็นสมุดฐานมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามูลแต่ไม่เป็นนามนามมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามูลก็ใช่เป็นนามก็ใช่9ก้สิบเอ็ดอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามูล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 ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับนา ม, มูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิจัชนาะใช่92อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นนามใช่ไหมวิจัชนาะนามที่เป็นอเหตุุกะไม่ใช่มีมูลที่เป็นนาม นามที่เป็นสเสตุกะมีมูลที่เป็นนามปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิเศษชนะรูปที่มีนามเป็นสมุทฐานมีมูลที่เป็นนามแต่ไม่เป็นนามนามมีมูลที่เป็นนามก็ใช่เป็นนามก็ใช่9ก้าสบสามอนุรมปุจฉา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 สภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิจัชนาใช่9กอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นนามมูลใช่ไหมวิจัชนานามที่เป็นอเหตุุกะไม่ใช่มีมูลที่เป็นนามมูลม rando, that, นาม OM, ที่เป็นสเหตุุกกะ ม, มีมูลที่เป็นนามมูล ปฏิโ ล, ลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นนามมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิจชะนารูปที่มีนามเป็นตมุทฐานมีมูลที่เป็นนามูลแต่ไม่เป็นนามนามมีมูลที่เป็นนามมูลก็ใช่เป็นนามก็ใช่96อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนาม สภาวะธรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามูลใช่ไหมวิจัชนานามที่เป็นอเหตุตุกะไม่ใช่มีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามูลมนะนามที่เป็นสเหตุกะ ม, มีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามูลปฏิโรมปุจฉา สภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลสภาธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมพิสัชนารูปที่มีนามเป็นตมุดฐานมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลแต่ไม่เป็นนามนามมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลก็ใช่เป็นนามก็ใช่97อนุโลมปุจฉา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 เหลือมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนา ม, มูลแต่ไม่ใช่มีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันปฏิโลมปุจชาสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกันกบนา ม, มูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมวิจชนาใช่มูลวานิเทศจบ 2-10 เหตุวาลาทินิเทศ98อนุโลมปุจรฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลลเหตุใช่ไหมวิจัตชนาะกุศลเหตุมีสามเท่านั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือไม่เป็นกุศลเหตุไม่เป็นกุศ ล, น, ศลนิทาน ไม่เป็นกุศลรสมภพไม่เป็นกุศลประภพไม่เป็นกุศลสมุทฐานไม่เป็นกุศลอาหารไม่เป็นกุศลอารมณ์ไม่เป็นกุศลปัจจัยไม่เป็นกุศลสมุทยัย9กอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลอนุโลมปุจฉา สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอัพยกฤิตอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามเหตุเป็นนามนิทานเป็นนามสมภพเป็นนามประพบเป็นนามสมุทฐานเป็นนามอาหารเป็นนามอารมณ์เป็นนามปัจจัยเป็นนามสมุทัย มูลเหตุนิทานสมภพประพบสมุทฐานอาหารอารมณ์ปัจจัยและสมุทยัยมีด้วยประการชนินเทเสวานจบมูลยมกจบ